ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวิธีเอาชนะความตายโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2546ที่พุทธสถานสันติสุขขอเชิญท่านติตาฟังได้เนะบัดนี้ ตายคืออะไรตายคืออะไรตายน่ากลัวไหมทําไมคนต้องกลัวตายเออพูดกันดูตายคืออะไรถ้าเอาเรื่องของร่างกายเอาเรื่องของชีวิตที่เข้าใจกันทั่วๆไปเนี่ยก็คือการหมดลมหายใจแล้วก็เลิกกั น, นากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไม่ต้องไปพูดถึงมนโนไม่รู้เรื่อง รู้แต่ว่ากายกรรมวจีกรรมหมดไปพฤติกรรมของร่างกายหมดหมดพฤติกรรมของร่างกายนะก็แจกถาดไปเผาไปฝังหรือว่าเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะก็จบหน้าที่ของคนคนหนึ่งในเรื่องของร่างกายรูปธรรมต่อจากนั้นจะมีอะไรสืบต่อไปจะมีอะไรไปเป็นอะไรอีกอย่างนั้น ผู้เรียนรู้ก็พอเรียนรู้ก็พอรู้ผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ได้รับฟังมาก็รับฟังไปแล้วก็เชื่อไปตามที่แต่ยึดถือกันไปแต่แ ล, ละลัทธิก็ไม่เหมือนกันลทัทธิเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเชื่อกันเป็นคนละอย่าง น, น, นานๆนะเพราะในขั้นแรกที่ว่าการตายของร่างกายนั้นก็คือการตายที่แท้จริงเหมือนกันตายเพราะหยุดภาวะภาวะหนึ่ง คือภาวะทางด้านพฤติกรรมทางร่างกายนะหมดสิท้นจบหนึ่งรอบในศาสนาพุทธเราจบทางกายที่ตายแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีกายใหม่จะไม่วนเวียนอีกนะร่างกายใหม่ก็เป็นคนใหม่แต่ก็ยังมีความสืบต่อเชื้อเก่าคือวิบากเก่าวิบากไม่หมด วิบากไม่หมดผลกรรมที่ได้กระทำไม่หมดร่างกายตายเกิดใหม่วิบากเก่าพาไปเกิดใหม่อีกวิบากดีก็ไปได้ดีวิบากชั่วก็ไปได้ชั่วได้ดีตกจากผิวพันธ์ดียวผิวพันธ์ซ้ำจะฉลาดจะโงะ่อะไรก็แล้วแต่อีกเยะที่จะเป็นผลต่อเนื่องจากวิบากเก่า มีลัทธิที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือลัทธิปุเพกตะเฮตุวาทะเป็นลัทธิที่เชื่อกรมเก่าของเก่าที่มีแล้วกมเก่าแล้วก็ทากมเก่าอะไรเอาไว้แล้วเกิดมาจะต้องเป็นไปตามกรมเก่าที่ได้สั่งสมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าลัทธิพรมลิขิตก็ได้เรียกว่าลัทธิพรมลิขิตคือลิขิตไว้แล้ว กรรมเก่าเลยคิดไปแล้วเรียกว่ารัติปุเพกตะเฮตุวาทะพุทธเราก็เชื่อเชื่อสิ่งที่เป็นกรรมเก่ามีฤทธิ์ทำให้เราเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เหมือนกับพรหมลิขิตนี่แหละพุทธเราเองก็มีส่วนเชื่อในในส่วนนี้เหมือนกันแต่ต่างกันมีนัยยะที่ต่างกันคือพุทธไม่ได้เชื่อตายตัว ก็รพ ร, มร้มลิขิตแล้วจะต้องลิขิตเป๊ะเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้พัฒนาใหม่ไม่ได้เที่ยงแท้นะั่นเองละทิเที่ยงแท้ส่วนพุทธนั้นไม่เทียงแท้จริงกรรมเก่าหรือวิบากเก่าที่ได้สร้างสมไว้มีฤทธิ์สามารถที่จะทําให้เราเป็นเช่นนั้นเช้นนี้ตามจริงตามสัจจะไม่มีการโกงนะกรรมที่ทำเป็นของจริงหมด แล้วมันก็สังเคราะห์กันออกมาเป็นวิบากให้เราได้รับเป็นจริงหมดแก้ไขไม่ได้แต่ที่แก้ไขได้คือกรรมใหม่กรรมในชาตินี้กรรมปัจจุบันเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยรู้จักอดีตรู้จักอนาคตโดยเฉพาะปัจจุบันต้องรู้แน่ถ้าใครไม่เรียนรู้ปัจจุบันก็โง่ตายเท่านั้นแหละปัจจุบันมันต้องรู้แน่แน่เพราะารู้อดีตรู้อนาคต อวิชชาสีนะอวิชชาสีหมวดหนึ่งนะอวิชชาไม่มี8ดอวิชชาหมวดที่หนึ่งคือไม่รู้จักอริยสัจสีคนที่ไม่รู้จักอริยสัจสัจสีเนี่ยคือคนมีอวิชชาน่นหมวดหนึ่งอีกหมวดหนึ่งนั่นน่ะอวิชชาหมวดที่สองก็คือคนไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตและ มันมีสี่ก็หนึ่งไม่รู้จักอดีต2ไม่รู้จักอนาคตสไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคตว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรมันต่อเนื่องกันอย่างไรมั น, นพนต่อเนื่องกันอย่างไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เปลี่ยนแปลงนนะไม่รู้จักอดีตและอนาคตสไม่รู้จักปฏิจสมุปบาทนะไม่รู้จักปฏิอ้าปฏิสสมุปบาทนี่เป็นอวิชชา อีกหมวดหนึ่งอวิชชา4ี่รวมแล้วอวิชชาก็มี8อย่างไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักอดีตและอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนะพระศาสนาพุทธเรานี่เรียนรู้อริยสัจสี่และก็ปฏิบัติให้เกิดผลพอเกิดผลในขณะปฏิบัติอริยสัจสี่เนี่ยจะรู้จักอดีตจะรู้จักอนาคตจะรู้จักทั้งอดีตและอนาคตจะรู้จักความเปลี่ยนแปลง จะรู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็มีอวิชชาเป็นต้นทางเป็นต้นเหตุเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะอาวิชชาจึงมีะฮะเพราะอวิชชาจึงมีสังขารฮ ะ, ะเพราะสังขารจึงมีนามรูปแล้วสังารจะมี วิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปก็มีอสรยตนะเพราะมีสเรยตนาก็มีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีตัณหาเพรามีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติ พอมีชาติก็มีชรามีชาติก็มีแก่ก่อนจะตายก็มีสารพัดที่นี้พอมีชาติต้องมีแก่ในชาตินี่แหละจนกว่าจะแก่นี่แหละมีหมดเลยมีทั้งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส์นี่คือปฏิจจสมบัตผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้ ความเกิดความตายจะเกิดจะเรียนรู้เรื่องพบเรื่องชาติชาติคือความเกิดพบคือที่อาศัยเพราะจะรู้จากที่อาศัยแม่ร่างกายร่างกายนี่เป็นโลกนะเป็นกา ม, มาพบนกามาวจรภูมิเป็นก า, ม, ม, า, า, ม, นกา ม, มาพบเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นข้างนอกแล้วก็มีใจเป็นข้างในเป็นธรรมารมข้างนอกเป็นโผฏฐารม เป็นอารมณ์ที่ได้รับสัมผัสต่างๆหูจมูกดิ้นกายแล้วก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอยู่ในใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็จะมีกิเลสมีอะไรปรุงแต่งอะไรกัไปบุ่นอยู่ในนั้น น, ะน่ะนะมันผู้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วเนี่ยจะเกิดญาณปัญญาจะรู้จักสิ่งที่เกิดที่ตายโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดที่ตายทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่เกิดได้ตายได้มีความเกิดความตายที่ลึกซึ้ง มันมีอาการของมันและก็มาจับตัวเกาะกลุ่มกันมีริทมีแรงมีบทบาทโหนักในจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในจิตวิญญาณเหมือนจิตวิญญาณแฝงอยู่ในจิตวิญญาณอาศัยจิตวิญญาณอยู่เรียกว่าแขกนะ ภ, ภาษาบาลีเรียกว่าอาคารตุกกะอาคารตุกกะเป็นแขกระแปลเป็นไทยนีว่าผู้มาอาศัยหรือว่าแขกนี่แหละเราเรียกแขกสับง่าย ผู้มาอาศัยอยู่เรียกว่าแขกผู้ไม่ใช่เจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนก็เรียกว่าแขกไม่ใช่เจ้าของน่ะเป็นคนอื่นเพราะกิเลสนี่ก็เป็นพลังงานมือนกับจิตแล้วก็มาแฝงตัวอยู่ในจิตมือนกับจิตทิศเดียวเลยหนักเข้าก็มีอํานาจอยู่เหนือจิ ต, ตทั้งทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เจ้าตัวไม่ใช่เจ้าเรือนไม่ใช่เจ้าเขาเจ้า ข, งของมันเป็นแขกเป็นผู้มาอาศัย แต่มามายึดอำนาจยึดครองเสร็จแล้วเราก็ตกเป็นทาสอำนาจของกิเลสมากันอย่างไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เรียกว่าเลยกลายเป็นสภาพที่ไม่ดีเอาด้วยนะนอกจากไม่รู้เรื่องแนละ้วไม่ดีเอาด้วยพาให้คนนี่เสียหายเลวทรามทําบาปทํากรรมทาอะไรวุ่นวายในสังคม อันนี้เป็นเหตุใหญ่เหตุหลักพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคนเมื่อเราแล้ตัางกสสมความรู้พยายามค้นควาติดตามศึกษาฝึกฝนหาทฤษฎีฝึกษาหาความจรงิงจนมีทฤษฎีที่สร้างความจรงิงเรียนรู้ความจริงขึ้นมาได้จนได้ทฤษฎีสุดยอดและพระองค์ก็เอามาเผยแพร่ก็สุดยอดก็คือทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่แหละ ทฤษฎีให้ปฏิบัติมนุษย์ปฏิบัติอันนี้อัตรมาว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันมากมายเรียนอันนี้ให้เป็นแกนเป็นหลักอยากไปเรียนอันอื่นอีกก็เชิญเรียนมาประกอบเพื่อที่จะทําประโยชน์ต่อไปการทําประโยชน์ถ้าเพื่อมีหลักประกันว่าเราเองไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวแล้วนี่นะจะทําประโยชน์อะไรให้แก่มนุษยชาติให้แก่สังคมมันก็บริสุทธิ์ถ้ามันมีกิเลสอยู่นี่บอกว่าจะทําประโยชน์ใครมันก็รู้เหาะทำประโยชน์แต่มันโก้ใครก็บริสุทําประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติเสียสละให้มนุษยชาติดีใครมันก็รู้ทั้งนั้นแหะมันโก้ แต่กิเลสมีเนี่ยมันไม่จริงทั้งนั้นนะ่ะเพราะกิเลสเนี่ยมันจะแฝงอยู่ในใจคุมคุมเกมแล้วก็คุมเกมให้หลอกเลยนะให้หลอกชาวบ้านว่าเองทําดีนะข้างนอกแต่ข้างในข้าจะทําชั่วมากๆซับซ้อนให้คนอื่นไม่รู้ไม่รู้ทันหลอกลวงเก่งมากเลยนะกิเลสเนี่ยแล้วมันก็จะแสดงดบทบาทอย่างนี้ทั่วโลกมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้หมด พระพุทธเจ้านี่เกิดมาไม่รู้กี่ชาติตกับกี่ชาติท่านก็ค้นคว้าศึกษาฝึกฝนจนกระทั่งเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้อะไรดีที่สุดอันนี้ของพระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดใครไม่เชื่อกันแล้วไปแล้วก็มาศึกษาเอาเถอะศึกษาเอาแล้วเราจะได้หลักประกันที่ดีเสียจแล้วอยากอยาเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็เกิดถ้ามีหลักประกันที่ดีแล้วเนี่ยหนึ่งเราก็จะไม่ทุกสองเราจะไม่ก่อบาป สามเราจะเป็นคนที่มาช่วยสร้างโลกช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมมนุษย์ชาติต่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ลาบยศสันเสริญโลกียสุขอะไรเราก็จะได้ทั้งนั้นแล้วได้อย่างบริสุทธิ์ด้วยแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ล้างกิเลสเนี่ยเราไปล่าลาบยศสันเสริญทุกวันนี้ทุกคนนั่นแหละจะไปล่าลาบยศสันเสริญโลกียสุขให้แก่ตัวเองทั้งนั้นโดยไม่ล้างกิเลสมันก็เลยเป็นการล่าชนิดที่ซับซ้อนซ่อนเชิง ขี่กงทุจริตลึกซึ้งลึกลับจนกระทั่งคนจับไม่ได้มันจะฉลาดแบบนั้นนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวบทบาทสอนและก็ให้กระทํามันไม่จริงใจหรอกเพราะใจมันมีตัวผีตัวเนี้ตัวกิเลนี้อยู่เพราะที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อล้างกิเลส ข, ของตัวเองให้ออกให้หมดซะจะเป็นหลักประกันยากเกิดดีก็เชิญเกิดแลจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชา ต, ชาติไม่มีปัญหาหรอกศาสนาพุทธเราไม่มีปัญหาเกิดมากระชวยมนุษยชาติ โดยไม่มีผีรายเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะปฏิบัติแล้วจะล้างกิเลสให้ตายฆ่ากิเลสให้ตายตายได้จริงๆนี่เป็นการตายชนิดพิเศษ เ, เรื่องร่างกายตายเนี่ยพูดไปแล้วไม่มีปัญหาหรอกตายแล้วมันก็เท่านี้แหละแต่ไอสิ่งสืบต่อเนี่ยมันก็วนเวียนไปอย่างนั้นนะเพราะในเรื่องการตายชนิดที่เรารู้ว่ากิเลสหรือพลังงานเหมือนจิต อยู่ในจิตนี่แหละทำให้มันตายโดยความสามารถถ้าไ ม, ไ ม, ไม่เราไม่ทามันไม่มีตายเองกิเลสไม่มีตายเองไม่มีมีแต่วนเวียนพักยกเท่านั้นเองไม่ตายเองมีแต่วนเวียนพักยกพรเี้ยก็ทำดีนรเี้ยก็ทำชั่วอะไรวนเวียนอยู่นับชาติไม่ท้วนวนเวียนอย่งั้นอะ นันมีศาสนาพุทธนี่แหละรู้จักความเกิดความตายเรียกว่าจุตูปปาตยานเป็นวิชาข้อที่ถ้าเผือว่านับแบบที่เขานับกันทั่วไปก็เรียกเป็นวิชาข้อที่7แต่นับอย่างอาตมาเป็นวิชาข้อที่แอาตมานับวิชา9แต่ชาวบ้านชาวโลกเขามานับวิชา8ไม่ได้ขัดแย้งหรอกอาตมาเองอาตมาดัดจริตรมานับ9เองคนเดียวคนอื่นจะนับด้วยไม่นับด้วยไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเอาฌานไปเป็นวิชาที่หนึ่ง ขึ้นิติินชาเนี่ยมันเป็นจรณ ะ, ะจรณะ15แล้วก็จรณะวิชาจรณะมันมี15บาชหนึ่งสสามสี่จรณะที่12 13องสิบสี่สอาตมาว่าชาเนี่ยอาตมาถือมันเป็นวิชาข้อที่หนึ่งเพราะในชาต้องมีปัญญาเป็นตัวเริ่มต้นที่จะเรียนรู้จิตในชานี่คือการเรียนรู้จิตแล้วก็รู้จักกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสออกให้ได้นี่คือวิธีทำชาช า, ชานี่คือการล้างกิเลส เพราะฉะนั้นไม่มีเป็นไม่เป็นวิชาไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นวิชานะอาตมานับเอามาพนวกไว้เท่านั้นเองแต่จริงๆมันก็เป็นจัดอยู่ในหมวดจรณะแต่อาตมาเอามาเชื่อมโยงมาเป็นวิชานะนับเป็นข้อทีน่หนึ่งห น, น่อก็วิชาแปดเหมือนกับที่เขาเรียนรู้กันมาที่บุพกาตรัสไว้ในปฏิปฏิปปหนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรแย้งกันอาตมาก็ไม่ได้แยง่งจะบอกว่าวิชาแปดอาตมาก็ไม่แยง่ง นะแต่อาตมานับ9ก้า เ, เพื่อเอาอันนี้มาผนวกเท่านั้นเองนะคนเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนมีปัญหาก็ปล่อยให้ก็มีไปนะเขาจะมีปัญหาก็เรื่องของเขาเรามีวิชาเนี่ยเรียนรู้จิตปัญญาณแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจละเอียดละอววิปัสนาในรู้ความจริงตามความเป็นจะรู้ความจริงได้ชัดได้เจนเลยกิเลสเป็นอย่างไร ทํากิเลสให้มันลดละไปมันเป็นยังไงกิเลสแบ่งออกยังไงบั้งหยากกลางละเอียดแบ่งตระกูลออกมาสามตระกูลใหญ่ๆโรคโลกโลงอะไรนี่เป็นต้นมีลักษณะอย่างไรจะมียานรู้จะมีวิปัสสนาญาณใ น, นรู้แจ้งรู้ชัดรู้วิธีทําให้มันตายรู้วิธีให้กิเลสตายนะวิชาแปวิชา9้านี่เป็นวิธีทําให้กิเลสตายพอทําให้กิเลสตายได้ก็ถือว่าเก่ง ก็เรียกว่ามโนโมยิทธิมีฤทธิมีฤทธิทำให้กิเลสตายคนมีฤทธิทาให้กิเลสตายนี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารเป็นปาฏิหารตามคําสอนพระพุทธเจ้าคนที่ทําให้กิเลสตายนี่คือผู้รู้อริยสัจอริยสัจสี่มีวิชาคือดับอวิชชาทําให้กิเลสตายได้กิเลสตายจริงๆริงมาเรียนรู้เถอฝึกฝนเธอกิเลส ต, ตายตายแล้วไม่มีฟื้น ถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่ฟืน้นพรตายชนิดที่เรียนรู้อย่างระเิดตัดขั้วหัวใจมันเลยแหละนะตัดขั้วหัวใจตัดวิญญาณมันเลยตัดวิญญาณของกิเลสจริงๆเลยนะตายสนิทได้นะมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ตามอนุสาสนีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จทางใจมโนมยิทธิรประป ก, การประสมประสบผลสําเร็จทางใจมีฤทธิ์ ประสบผสำเร็จคืออะไรประสบสำเร็จทางใจก็คือทำให้กิเลสนะมันตายจริงๆตายยังจับตัวมันจับตัวจับตนมันได้เป็นสักกายะเป็นอัตตาตัวตนมันจับมาจนก็ท้องมันตายไม่มีอัตตานะเป็นอนัตตาเลยศูนย์ไม่เหลือตัวตนของมันเลยนะทยําได้ที่สูจได้งั้นมีทิธี <c oughs> <c oughs> ก็คือมีวิธีวิธีที่มีฤทธิ์ในการทําให้กิเลสตายเนี่ยหลากหลายวิธี กิจวิธีมีหลากหลายซึ่งเป็นวิธีที่พิเศษเป็นวิธีที่มหัศจรรย์เป็นวิธีไม่น่าเชื่อเลยว่ากิจวิธีหลากหลายทําอันเดียวได้อันเดียวก็ทําต่อไปอีกได้เป็นพันๆหรือจากพันๆนี่จะสรุปออมาหรืออันเดียวก็ได้อะไรงี้เป็นต้นเนรมิดนั่นเนรมิต น, นี่อะไรได้กว่าจะเนรมิดเราก็คือทำนั่นแหละสร้างเนรมิตก็แปลว่าสร้างแปลว่ารทำทำจนสําเร็จซึ่งเป็นเรื่องพิเศษ เป็นเรื่องวิชาอย่างวิชาที่ลึกซึ้งมากวิชาที่พิเศษมากและก็มีความรู้เพิ่มเติมซ้อนลงไปอีกมีโสดทิพย์มีเจโตปริยาณมีบุเพนิวาสานุสติยานจตูปปาตยานอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นวิชาที่เสริมโสดทิพย์กับหมายความว่ารู้มีความรู้ละเอียดลึกซึ้งได้เร็วได้ไวไดละเอียดไดใกล้ไดไกลโสทิพย์ กำหนดถูกำหนดแม่นแม้แนตะ่สัมผัสนิดหน่อยก็รู้แล้วเร็วเป็นความวิเศษเป็นความเก่งพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ยินแป๊บๆได้เห็นสัมผัสนิดๆพอแตะนหน่อยรู้วับเลยมีความรู้ที่เป็นประสิทธิภาพของยานหรือประสิทธิภาพของวิชาเก่งโสดทิพส่วนเจโตปรนะิญาเนี่ยก็คือสามารถรู้ละเอียดไปก็ทั้งถึงสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในจิตก็คือตัว กิเลสสามตระกูลราคะโทสะโมหะและก็มีวิธีรู้วิธีเราก็เรียนรู้วิธีแล้ววิธีจะสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาโพธิปักขีจะทำอะไรก็ตามใจวิธีที่ปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสมีวิธีครบเยอะแยะแล้วก็ทําทได้มีวิธีทําให้มันลดละได้ก็อ่านรู้จิตจริงๆเลยเจตปริญาณนี่เป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องเครื่องวัด เครื่องวัดเครื่องตรวจสเปนมิเตอร์วัดวัดจิตว่ากิเลสของเรามีจริงแล้วกิเลสของเราลดได้จริงหรือยังได้ไดมากได้น้อยได้ดีหรือยังไม่ดีอะไรเนี่ยจะรู้เลยเป็นลําดับลําดับลําดั บ, ดบขึ้นไปเลยท่านเรียกเป็นเป็นคู่คูคู่ ค, คตั้ง8ดคู่เนี่ยสิตัวเนี่ยเริ่มทำกิเลสราค ะ, ะเริ่มทําได้ธาโทสะเริ่มทําได้โมหะตัวนี้เริ่มทําได้ตัวไหนทําได้และมันได้ดียังยังไม่ได้ดี มันยังโอโหลําบากลาบนอยู่ยังไม่ดีเลยเทาเราก็รู้ว่าจิตนี่ยังไม่ดีหรอกกิเลมันยังเก่งอยู่เลยดีไม่ดีมันก็เผยมันนึงเอาเราตายหรือมันเอาเราเสียท่าแพ้มันจนกระทั่งสามารถเก่งขึ้ น, นเรื่อยๆอยังไม่เก่งอยู่ท่านเรียกว่าอย่างหนึ่งท่านก็นแบ่งไว้เรื่องทางสายเจโตเรื่องวิคัมพะณะโอไม่ใช่วิสังคิตะสวิสงวังคิตะในฟุ้งซ่านฟุ้งกระจาย สังกิตะนี่มันเป็นก้อนๆ ก, กลุ่มๆเป็นกลุ่มๆหดทนี่โอโ้โหนะคือแบ่งให้รู้ว่าลักษณะของจิตของกิเลสเนี่ยอาการทางจิตเนี่ยมันยังลําบากลาบนอยู่มันยังไม่ดีอ่ะมันก็แบ่งเป็นสองอย่างง่ายๆคืออย่างสายกดดันกับสายกระจายคือสายเจโตกับสายปัญญานะว่าง่ายๆสังกิตะกับสายเจโตวิคิตะกับสายปัญญาฟุ้งกระจายไป ทำใ ห, ใ, ห hai hai. หให้มันได้ดีๆให้มันเจริญขึ้นได้หาวิธีปฏิบัติให้มันได้ได็กมาคตาหรืออะมาคตะอย่างนี้เป็นต้นไล่ไปยุทธธรรมมันดีขึ้นดีสักจิตตสักอุตรังจิตตังสักอุตรังจิตตังจิตมันดีขึ้นแ ต, Seriously. แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์หรอกดีขึ้นก็ยังไม่ไม่ทีเดียวถ้าดีสุดเรียกว่าอนุตรังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นเป็นคู่ๆไปเรื่อยๆนะเราลดละได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นวีตราคะวิตโทสาวีตโมหะเป็นกิเลส สมกลุ่มถ้าลดได้ก็เลยวิตาราค่ะวิตาสสาวาตเป็น6แล้วสังกิตตาิกิตตาก็เป็น8ดมหากิตาอมหากิตะก็เป็นสิสักจิตสอุตรังจิตตังกับอนุตรังจิตตังหรือสอุตระกันอนุตระสอุตระแปลว่าจิตดีแล้วล่ะดีขึ้นมากแล้วแต่มันยังไม่ละเอียดมันยังไม่สมบูรณ์รู้อยู่ว่ายังมีส่วนที่ดีกว่านี้อีกยังมีอยู่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบ สมบูรณ์หรอกแต่มันก็ใช้ได้และดีแล้วจิงจริงๆมันก็สบายพอสมควรแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละนะสะัจธรรงจิตตังเนี่ยต้องทําให้สมบูรณ์อีกให้ได้เป็นวิมุตต์อย่างสมบูรณ์ตั้งมั่นในสมบูรณ์ก็แบ่งออกไปเป็นอีกสองแขนงคืออสมาหิตะกับสมาหิตะเรียก ว, ว่าสมาธินั่นเองให้มันตั้งมั่นแข็งแรงกับอีกอันนึ่งก็ตรวจสอบวิมุตต์วิมุตต์เอาวิมุตต์วิมุตต์เอาวิมุตต์อีกสองคู่เป็นสี่ นะเป็นสี่รวมกับสอุตระกับอนุตระเป็น12แล้วรวมอีกสก็เป็น16นี่เป็นเจโตปริยาน16บนหะซึ่งเป็นเป็นเป็นเครื่องวัดที่สำคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้จักลักษณะของมันเราก็ใช้ไม่เป็นคนที่ใช้เครื่องมือเป็นเทคโนโลยีทุกวันนี้นี่มันก็มีปุ่มกดอนุนัน น, น, นี้โอ้โหเทคโนโลยีมันซับซ้อนมากนะ นี่ก็เทคโนโลยีของธรรมะอุปกรณ์ทางธรรมโอโหซับซ้อนหน้าดูเหมือนกันศึกษาดีๆแล้วจะรู้จักโอโหอ่านกดรูปปุ่มนั่นปุ่มนี้ก็มันตรวจสอบแอบอยากจะดูอันนี้ก็ต้องปุ่มนี้ปุ่มนี้คลายๆกันนะในพูดเป็นรูปธรรมให้ฟังนะถ้าใครสามารถรู้จริงแล้วก็จะเห็นชัดเจนแล้วโอโหเพราะงั้นศาสนาพุทธนี้ไม่งมงายศาสนาพุทธนี้เป็นนามธรรมก็ตามชัดเจนรู้แ จ, งงจง้งของจริงนามธรรมอยาขนาดไหนก็รู้หมด น, นอกจากเจโตปริยานแล้วก็ยังมีตรวจสอบบุเพนิวาสานุสติยานจตูปปาต ย, ยานอาสวรคยานอีก3ข้อนี่เรียกว่าเตวิโชเตวิโชนี่คือเครื่องตรวจสอบสเสมอสเสมอมาะระลึกตรวจสอบบวาณ น, นี่เราทําอะไรบงังจิตใจเราเป็นยังไงกิเลสมีไม่มีแพ้มันหรชนะมันเราได้เด็ดขาดไม่ได้ดขัดตรวจสอบไปเลยเหมือนกับลงบัญชีตรวจข้อมูลเจโตปริยานไอ้แม่จตูป ป, ะปะตาตยานก็รู้ความเกิดความดับของมันมันเกิดยอยู่ เกิดอยู่บ้างแต่ร้อนๆแล้วเนี่ยเกือบจะสินส้นสิ้นใจแล้วยังไม่ตายทีเดียวจวนตายหมดแล้วอะไรเนี่ยมันจะรู้จริงรู้ชัดพวกนี้จริงๆตรวจสอบจริงๆเลยจนกระทั่งรู้จักอาสวะคือกิเลสตัวสุดท้ายกิเลสตัวละเอียดแล้วก็จะรู้ของจริงพวกนี้หมดถอนอาสวะสิน้นคือตัวกิเลสตัวสุดท้ายเนี่ดับแล้ว แล้วก็ไม่เห็นมันโผล่อีกหรือมันจะโผล่มาอีกมันบิ๊มอ่ะมุดจร อ, อีกเมื่อไหร่คุณก็ต้องตรวจสอบของคุณให้จริงถ้าตรวจสอบจริงแล้วว่โอ้มันโผล่มาแวบหนึ่งนั่นเองนึกว่ามันหมดไปแล้วอ้าวเดือนหนึ่งผ่านไปสเดือนผ่านไปมันแวบไปอีกวับหนึ่งแหะเราก็จะรู้จัดการกัมันให้เคลี้ยงจนแน่ ใ, ใจว่าโอ้เดือนแล้วปีแล้วกี่ปีกี่เดือน เหตุปัจจัยตั้งอดีตกี่เรื่องกี่ราวเหตุปัจจัยนี้มันเคยทบสัมผัสเกี่ยวข้องกันอยู่แต่มันก็ไม่เกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนมันก็ไม่เกิดจริงๆอะไรอย่างนี้ต้นเราก็จะมั่นใจนะอดีตสังสมอดีตนี่เป็นอนัตตาท้มันสําเร็จไปตั้งรอยเจอปัจจุบันใดมันก็ไม่มีเกิดอีกมันก็นิ่งสงบเฉยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะรู้เท่าทันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ กระทบสัมผัสเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีเกิดกิเลสไม่เกิดอีกจริงๆเลยเราก็รู้ได้ว่าอ้ออดีตนี่สั่งสมไว้มากพอปัจจุบันจึงเป็นตัวยืนยันเพราะฉะนั้นอนาคตก็ต้องศูนย์ตายสนิทตายไม่เกิดรู้จักอดีตรู้จักปัจจุบันรู้จักอนาคตอย่างนี้จริงๆที่รู้ได้เพราะทั้งสายเลยปฏิจจสมุปา ท, ทั้งสายเพราะอวิชชาจึงเกิด สังขารคือการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวสภาพสังขารร่างกายสังขารจิตวิญญาณมันมีหมดสังขารวาจาสังขารวัจีสังขาราอะไรเงี้ยสังขารบางเป็นวจีสังขาร่าเป็นกายกายะสังขารามโนมโนสังขาราสังขารทางใจสังขารทางกายสังขารทางวจีมันมาปรุงแต่งขึ้นมาไอเกล็เนี่ยมาร่วมหรือแม้แต่ความคิดกุศลอกุศลก็ร่วมปรุงแต่ง มเมื่ราจะรู้การปรุงแต่งสังขารและสังขารทั้งหลายเนี่ยกายแล้วก็คือกายส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณสังขารจึงมีวิญญาณเป็นเหตุปรุงแต่งมาเป็นวิญญาณวิญญาณนี่คือองค์รวมทั้งหมดเลยวิญญาณนี่รวมทั้งหมดในตัววิญญาณนี้ประกอบไปด้วยเจตสิกสานิเวทนาสัญญาสังขารและก็เป็นวิญญาณต้องไปอ่านคนคืออะไระจะรู้ดี คนคืออะไรอัตมาแยกแยะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นตัวต้นทางที่ปรุงตัวปรุงแต่งเก่งในสามตัวในเจตสิกสามแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณเพราะว่าวิญญาณนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตทีเดียวหรอกมันเป็นองค์รวมส่วนมากมันจะมีผีอยู่ในนั้นเยอะเป็นเทวดาก็มีด้วยพอพระพุทธเจ้าธรรมศึกษาแล้วท่านก็แยกออกมาเรียกอีกอันหนึ่งว่ามโนมโน เรียกว่ามโนไม่เรียกวิญญาณแต่ก็ศึกษาวิญญาณนี่นแหละศึกษาจนกระทั่งล้างกิเลสออกหมดก็จะเหลือมโนหรือเหลือวิญญาณสะอาดวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่เรียกวิญญาณบริสุทธิ์เพราะถ้าเรียกวิญญาณแ ล, ล้วคิดมากจะเป็นสังขารมาจากสังขารจึงเกิดวิญญาณเพราะฉถ้าเรียกวิญญาณนะครับว่าวิญญาณจะต่างจากมโนหรือจิตนี่อยู่ตรงนี้นะต่างอยู่ตรงนี้ถ้ามโนแล้วจะมีลักษณะชัดกว่า มนโนคือจิตพรางตัวจิตเนี่ยมนโนเป็นประธานใหญ่แม้ล้างกิเลสเ อ, อกหมดแล้วเหลือแต่มนโนบริสุทธิ์ทํำมนโนกรรมทําอะไรแต่ไรก็ได้แต่ถ้ามนโนเนี่ยยังมีกิเลสหรือมีวิญญาณเป็นมนโนวิจิตวิญญาณเป็นมนโนที่มีปัญญาณในประกอบมันก็จะไม่เข้าถา้าพอมีวิญญาณแล้วก็เกิดนามรูปต่างๆนามรูปก็คือแบ่งออกเป็นสองสองชนิดสองสภาพของใจของเรานี่แหละถ้าถูกรู้เราเรียกว่ารูป ถ้าตัวรู้เราเรียกว่านามตัวปัญญาเรียกว่านามตัวที่ถูกรู้เรียกว่ารูปแม้จะเป็นนามมาทำอยู่ในจิตกิเลสมันเป็นรูปถ้ามีนามมาทำหรือมีปัญญาไปรู้กิเลสกิเลสก็เป็นรูปจิตปัญญาณก็เป็นนามสามารถอ่านตัวกิเลสออกและมีวิธีทาให้ไอตัวกิเลสติดตายทาลายหายไปหมดได้นะ Isphere, ว่าเราจะเรียน ร, รู้สังขาร Palmer, starter, รู้วิญญาณรู้นามรูปรู้สลายตระนะรู้ทวารทั้งหตาม e, หูจมูกริ้งกายใจพอสัมผัสแล้วมันก็ไปปรุงเข i, ów, ้าไปเลยวับด้วยอวิชาเป็นต้นเรื่องเพราะอวิชาจึมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณจึงวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปมีสลายตรนะตาหูจมูกริ้งกายใจมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีตามันจึงไปกระทบรูปมีหูมันจึงไปกระทบเสียงมีจมูกมันก็ไปกระทบกลิ Jeżeli, active, ่น แต่มาทำลายตาหูจมูกดินแล้วก็จะไม่ได้กระทบแล้วก็จะศูนย์ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนี้ไม่ถือว่าตาหูจมูกดินกายเป็นสมุทัยเพราะถ้าดับตาดับหูดับจมูกแล้วจะไม่มีผัสสะแล้วก็เลยจะศูนย์ไม่มีอะไรเกิดไม่ใช่ฟังให้ดีนะไม่ใช่ลัทธิลัทธิพุทธเจ้าไม่มาทำลายตาหูจมูกดินกายไม่ทำลายผัสสะนะแต่มาทำลายตัวที่จะเกิดตามมาเนี่ย พ่อพรสะจึงมีเวทนาเวทนาเป็นตัวกลางเลยโอ้โหเป็นแหล่งศึกษาเวทนาท่านแจกเป็นสองแจกเป็นสแจกเป็นหแจกเป็นหหกเวทนา18เวทนา36เวทนาแจกไปเป็นร0 8เวทนาโอ้โหเวทนาในเวทนานี่ละเอียดละออเพราะเมื่อศึกษาเวทนาจึงจะรู้รูพบรู้ชาติรู้กิเลสรู้ตัณหารู้อุปาทานจากเวทนาลงไปเนี่ย พอผัสสะจึงมีเวทนาเรียนเวทนาในเวทนาก็จะรู้จักตัณหารู้จักอุปทานรู้จักพบรู้จักชาติพอรู้จักกิเลสรู้ตัณหามันเป็นสมุทยัยตัณหาก็ดีอุปทานก็ดีเรียกมันรวมรวมว่ากิเลสแต่ตัณหาก็ลักษณะที่มันเกิดมาในปัจจุบันส่วนอุปทานนั้นคือกิเลสมันฝังรากกิเลส ถ้าจะเทียบกับภาษาวิทยาศาสตร์ตัณหาคื อ, อพลังงานจนพลังงานจรณนะกินอุปทานคือพลังงานสักตัวหนึ่งคือตัวสเตติกอีกตัวหนึ่งคือตัวดนามิกนะไอตัวอุปทานในตัวสเตติกเนี่ยเป็นอนุสัยอาสวะกลิ่มนิ่งอยู่ก้นบึง้ง แต่แรกก็ส่งกระแสขึ้นมาให้มันเป็นอุปทันหาพอเกิดมาเป็นกระแสรหรือเป็นอะไรแปลงมาเป็นแกรงเคลื่อนปั๊บมันก็จะเป็นตัณหาออกบทบาทเรียกว่าตัณหาถ้าไม่ออกบทบาทเรียกว่าอุปทานอยู่ในใจของเรานี่แหละทาร้างไม่หมดมันก็ไม่หมดเพราะนี้นาศาสนาพระเจ้าคือมาล้างสมุทยัยฆ่าตัณหาฆ่าอุปทานให้ตาย ตัณหาแบ่งเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอุปทานก็แบ่งเป็น4ี่จะเรียนรู้นะกามุปาทานสีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานอะไรอุปทานหนึ่งหนึ่งกามุปาทาน2ทิฏฐุปาทานนะทิฏฐุปาทานการกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลปตุปาทานอัตวาทุปาทาน อุปทาน3าอะล้อตาตมาไม่แจกละเอียดละมันก็เกี่ยวกับการเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับศีพลพราหลักการในการปฏิบัติแล้วไปยึดไปติดอัตวาทุปทานนั่นหมายความว่ายึดได้แต่แค่คําพูดเป็นอัตตาซึ่งมันมีสองใ น, ในหนึ่งก็คือาศาสนาที่เป็นเทวนิยมเนี่ยเขาไม่รู้จักเทวะเทว์เป็นอั ต, อตามาหรือปรมัตต์ตาันเขาไม่รู้จริงหรอกเขามีแต่คาพูดพพุทธเจ้า สร้างคำว่าอัตวาทุปทานขึ้นมาเรียกในยุคที่ท่านอุบัติขึ้นมาแล้วก็ท่านก็จะตล้มลางไม่ล้มล้างหรอกท่านก็จะมาสู้เทวสู้ก็ไม่ใช่อีกท่านจะมาแพร่ของท่านเองซึ่งต่า ง, างกันกับของเดิมของเดิมเขเทวนิยมของท่านอเทวนิยมเพราะฉะนั้นเทวะที่เป็นอาตมันหรือเป็นปรมาตมันนี่ท่านรู้จักแล้วแต่พวกเทวะนิยมเองเนี่ยเขาไม่รู้จักมีแต่พูดขี้โม้และไม่เคยมีใครรู้จักพระเจ้าจริงเลย ไม่ใครรู้จักพระเจ้าจริงไม่เคยไนดะ้มีใครสัมผัสพระเจ้าจริงพระเจ้าคืออะไรคือพระจิตวิญญาณแล้วเขาเรียนรู้จิตวิญญาณไม่เป็นแต่พระรู้เจ้าเรียนรู้จิตวิญญาณเป็นเพราะมันอยู่ในในตัวมนุษย์นี่แหละในจิตวิญญาณแล้วท่าก็รู้แจ้งเห็นจริงในจิตวิญญาณเป็นอาตมันหรืออัตตาอย่างไรท่านก็รู้หมดท่านถึงตั้งอันนี้ขึ้นมาว่าโฟกเทวนะนี้บอกวอ้โฟกพูดจากปากความจริงแกไม่รู้จักอัตตาอัตตาในภาษาบาลีถ้าภาษาสันสกฤณ ก, ก็คืออาตมัน ไม่มีใครรู้อัตมันหรอกไม่มีใครรู้จักประมาจตอมันจริงหรอกแต่แต่พูดอัตวาทุปาทานแล้วเขาก็ยืดกันตลอดโลกแตกเดี๋ยวนี้ก็ยังยืดกันอยู่แล้วแม่ศาสนาพุทหมดแล้วเขาก็ยังยืดกันต่อเรื่องอัตมันนี่มันมันเป็นศาสนาคลองโลกมันมีอยู่ตลอดนิรันการส่วนศาสนาพุทธนั่นไม่มีนิรัน์หรอกสักวันหนึ่งก็หมดไม่มีใครเรียนรู้ได้ไปช่วงหนึ่งเรียกว่าพุทธันดรไม่มีศาสนาพุทธ แต่ศาสนาเทวนิยมจะมีอยู่ครองโลกไปเรื่อยๆศาสนาที่ไม่มีเทวนิยมเนี่ยเป็นอเทวนิยมเนี่ยจะมีมาเป็นข่าวขาวก็คือพุทธนี่แหละจะมาช่วยมนุษย์ให้รู้จักความจริงแล้วก็ปรินิพานไปได้หมู่นึงหมูหน่นึงไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่เงี่ยตลอดโลกแตกโลกอีกหลายลูกแตกจนจักรวาลตลอดในรในรันดอลหรจักรวาล น, นี่แหละนะพระศาสนาพพุทธเจ้าเมื่อเรียนรู้สมุทยัยที่เป็นตัณหาเป็นอุปทานได้ก็ฆ่า ลืมตาใช้มรคองแปดปฏิบัติเรียนรู้เลยว่ากระทบสัพพะและกิเลสมันเกิดเมื่อไหรตัญหาเกิดเมื่อไรก็ล้างล้างจนแม้กระทั่งอุปทานใดๆต่างๆนานาก็เรียนรู้จนครบไม่ว่าจะเป็นการมุ ป, ปาทานทิฏฐุป า, า mm. ทานศิลปุตตุปาทานอย่างไรหรือแม้แต่ที่มันยังหลงติดยึดอยู่เป็นอัตตาอัต <Donkey> อตาอีกชนี้นื้นอธรมารบอกว่าแบบเป็นสองอันหนึ่งก็คือว่าเทวนิยมเนี่ยเขาเขา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกนี้ว่าพวกนี้อัตวาตุปทานส่วนอัตวาตุปทานของชาวพุทธเองนี่ก็คือพวกที่เรียนรู้อัตตาของพุทธเนี่ยเรียรู้ไดไ้ได้แต่ปากแต่ไม่มียานรู้จักอัตตาจริงก็เรียกว่าพวกอัตวาทุปทานเหมือนกันพวกยึดได้แต่แค่อัตตาได้แต่ปากได้แต่พูดเป็นไเรียนรู้เก่งเป็นปัตถประมะเป็นปุตติแมรู้โอ้โหยอดรู้สอนคนเก่งจำพระพุทธพจน์ได้มาก ไม่บรรลุธรรมเพราะว่าปฏิบัติจับกิเลสไม่เป็นจากตัวตนวเองแล้วก็ไม่มีวิธีทําให้กิเลสมันตายก็เรียกว่าพวกอัตวาทุปทานเหมือนกันฆ่าอัตตาให้ตัวเองไม่ได้อัตตาอยู่ในตัวเองนั้นเรียนรู้แบบพุทธแต่ไม่สามารถที่จะทําลายอัตตาให้แก่ตัวเองได้สําเร็จก็เป็นพวกเรียว่าพวกยังมีอัตตาพวกอัตวาทุปทานเหมือนกันเนี่ยไแต่ปากไดแต่รู้บัญญัติ แต่ไม่รู้ความจริง <Yeah. S 1> เมื่อเราสามารถทำลายตัณหาอุปทานให้ตายสนิทได้เนี่ยคือความตายที่วิเศษสุดศา ส, สนาพุทธไม่ได้ปฏิบัตินั่งฌานแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพแล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติอยู่ในโนูนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นมโนโมยะอั ต, ตาสร้างปัน้นเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นอะไรอะไรอ้เยอะ ปั้นมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปั้นกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงล้างออกจากโลกที่ยากก็จะมีอุปทานมากมายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นอะไรสารพัดนะาศาสนานีกก้ก็มีเทวดาแบบเข้ า, าศาสนานี้ก็มีเทวดาอย่างไม่เหมือนกันนะแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันรูปร่างก็ไม่เหมือนกันอะไรริดเดตก็นไม่เหมือนกันต่างกันอู้สารพัดศึกษ <c oughs> าดีๆเถอะถ้าศึกษาเชิง ศาสนาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าโอ้โหเรียนกันไม่หวาดไม่ไหวอาตมาแนะให้อย่าไปเรียนมากเลยมาเรียนของพุทธอย่างเดียวรู้หมดรู้จากพวกนั้นหมดเราจะเข้าใจหมดเลยอาตมามาเรียนสายนี้แล้วสายต่างๆเทวดาแบบไหนแบบไหนก็รู้หมดนะ่เพราะเทวดาทรงเครื่องทั้งนั้นเลยเขาปรุงแต่งกันมาทั้งนั้นอาตมาไม่สงสัยอาตมาเช็คตามรู้ตามได้ทั้งนั้นไม่ประหลาดนะ ศาสนาพุทธเบื่อล้างเหตุคือสมุทัยและอุปทานพบจึงหมดไปด้วยส่วนนั่งสมาธิหลับตาในเข้าไปอยู่ในพบเป็นรูปประพบเป็นอรูปประพบปั่นเข้าไปเป็นตัวเป็นตนผู้ที่นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็เข้าไปทําอย่างน้อยไม่ยึดติดอะไรเลยก็เป็นรูปประพบหรืออรูปประพบคือมีแต่สภาพไปปั้นความไม่มีอุเบกขา เฉยๆว่างๆกลางๆเฉยๆนั่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่อะไรเฉยเฉยเข้านานๆเข้ามันชักจะหมุนเวียนกลับมาหาความคิดคนก็เลยพยายามพุ่งออกไปสู่ที่มันว่างยิ่งกว่านี้อีกก็เลยสร้างอารูปภปพบนั่งเพ่งแสงสว่างไปหาแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดสว่างดิ้งฝึกเข้ามากๆก็เข้าไปสู่ ความสว่างในภพเรียกว่าผวังองค์ของภพก็พทําไม่ได้ที่อยูนี้นั่นนะเสร็จแล้วอยู่ในนั้นมันก็มีสภาพของมันจะวนเวียนอยู่ในอรูปฌานสี่อาตมาจะไม่อธิบายวันนี้อรูปฌานสี่ของฤษี่นะของนั่งเขง้าไปอยู่ในผวังมันก็จะไปวนเวียนอยูอ่นั้นก็เรียกไปว่าเป็นภพเป็นอรูปภพมันไม่ดับภพบจบชาติเพราะไม่ได้ละาากลางกิเลสไม่รู้จักตัวกิเลสจริงเหมือนพุทธเพราะภพบชาติไม่ทําลาย ไม่มีการตายไปจากวัตสงสารจะวนเวียนอยู่ในวัตสงสารอยู่อตลอดอาจจะช้านานสกดได้เก่งๆนานๆก็อยู่นานสะกดไม่ได้เก่งนานก็อยู่ไม่ได้นานหรือวิบากทำวิบากบาววิบากบุญไว้มากวิบากก็พาเกิดพามุนเวียนใหม่อีกวิบากก็เป็นดิสเป็นแรงที่พามุนพาเกิดพาตายมุนเวียนอยู่ยงี้นะมีศาสนาพุทธที่ตายได้เสด็จ ตายได้ไม่มีกลับมาเกิดอีกตายได้อย่างครบสมบูรณ์ปรินิพานนะเลิกถ้าใครดับจิตปรินิพานะอยากเกิดอีกไม่ได้แล้วนะเพราะไม่มีตัวอะไรจะมาอยากอีกแล้วนี่เพราะว่าตัณหาก็ไม่มีแล้วศูนย์ตายแล้วต้องศูนย์เด็ดขาดกลับไปได้นะกลับลำไม่ได้เพราะนั้นใครเป็นอัลหาหันแล้วอย่าพึ่งรีบปรินิพานะคืนปรินิพานนะหมายไปอยากกลับมาเกิดอีกไม่ได้นะ S <S ส่วนมากพระอหรหันจะรู้อาตมาพูดเหมือนกับอย่างรู้จักใจพระอรหันดีนะพระอรหันจะรู้อาตมาถึงบอกได้พระอรหัน์ทุกรูปอะพอตัดสรู้แล้วเสร็จเนี่ยเป็นพระโพนิสัตอาตมาไม่อยากจะพูดว่าทั้งนั้นเพราะว่าเผื่อไว้เพราะไม่ใช่อาตมาเนี่ใช่ไหมองค์อื่นท่านอาจจะไม่เอาแล้วเป็น ปฏิพาน์เลยไม่เอาอารหันแล้อ น, นี้ปฏินธ์เลยอาจจะมีได้นะัอัตมาก็ว่าอาจจะมีนะแต่อัตมาไม่รู้สระอัตมาหรือสําหรับห ล, หลายคนที่รู้กันเพราะโดยสัจจะความจริงแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าเราบรรลุเป็นอรหันแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่มีมันไม่มีพิษมีภัยกับตัวเราและผู้อื่นสองเราไม่มีทุกขเรามีแต่กุศลเท่านั้นจะสร้างกเกิดแต่กุศลต่อไป ก็มีแต่กุศลจะมาเสริมหนุนเราที่จะให้เราทําวำจริงวิบากเก่ามันอาจจะตามมาวิบากเก่ามันทํามาเล่นงานกับเราอยู่ได้มันไม่จบง่ายๆนะวิบากเนี่ยขนาดตรัสรู้เป็นบุทธเจ้าแล้ววิบากม่บากบาปมันยังตามมาเล่นงานท่านบางเลยมันไม่หมดง่ายๆแต่มันก็เบาลงเรื่อยๆเราเคยสู้มันหนักขนาดไหนเนี่ยเราเสร็จไปแล้วต่อไปนี้มีแต่เบากว่าที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นมันแน่นอนเป็นพระอรหันต์แล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก็มัน แต่งไงยังวิบากมันก็เบากว่าเก่าแน่นอนมันก็เบาลงบาเพราะเราจะหยุดชั่วเด็ดขาดเลยหยุดชั่วประพฤติดีสั่งสมแต่กุศลใจก็บริสุทธิ์แล้วลเป็นพระอรหันต์ในจิตจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่กลับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางมาสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญเด็ดขาดบาปก็จะเป็นบาปที่ไม่เจตนาหรือบาปที่มันมันไม่รู้เพราะพระอรหันต์ก็มีส่วนที่ไม่รู้ได้เหมือนกันลึงโลกโลกโอทู แต่พระอรหันเนื้อรู้อะไรรู้กิเลสของตัวเองทั้งหมดฆ่ากิเลสตัวเองได้เกลี้ยงจบนี่คืออรหันต้องนิยาไม่ชัดนะไม่ใช่ว่าอรหันจะต้องรู้เพราะเป็นอรหันต้องรู้ทุกอย่างอะไรก็รู้หมดใครจะเป็นจะตายอะไรก็รู้หมดไปรู้น่ยดาราพระดวงดาก็รู้หมดจะหวดอะไรก็รู้หมดเศรษฐกิจก็รู้หมดอะไรก็รู้หมดไม่ใช่พระอรหันไม่ได้ไปรู้นอกตัวอะไรนั่นรู้ในตัวรู้ กิตเจตสิกรูปนิพานรู้อภิธรรมรู้กิเลสของตัวเองนั่นเองตัวสำคัญและรู้ว่าตัวเองได้ค่ากิเลสตัวเองตายเกลี้ยงสนิทแล้วนั่นคืออรหันต์เพราะฉะนวิชาอื่นๆที่ความรู้นอกนั้นไม่ใช่วิชาอารหันต์แต่อรหันต์เมื่อได้หลักประกันเบตอาหันจะไม่เรียนอีกก็เรียนสิ เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้หลักประกันนี้ให้ได้เถอะแล้วคุณอยากจะเก่งอะไรคุณอยากจะสามารถทางอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อยางเก่งแบบโลกโลกเก่งกว่าทักษิณเก่งกว่าสมคิดเก่งกว่าใครก็ได้เก่งกว่าในบุตรเก่งกว่าในซัดดำแต่มันเก่งวิชาโง่ๆไม่เก่งนะไม่เอาแล้ววิชาจะไปเปจอในละลานคนอื่นวิชาที่จะไปเบียดเบียนใครไม่เอาวิชาที่ไม่เข้าท่าถ้าวิชาที่ดีๆจักจะเรียนเรียนไปเลย เพราะเรายิง่ง ม, มีความโลภโกรธลงมันยิ่งสบายมไม่ต้องห่วงอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อไอ้สิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะเรามาสร้างความตายให้แก่กิเลสเนี่ยให้หมดเป็นหลักประกันในวิเศษที่สุดนะทีนี้อาตมาอาธิบายถึงเรื่องความตายของทางวิญญาณทางวิญญาณให้ฟังแล้วตามหลักวิชาคร่าวๆทีนี้ก็มาพูดถึงว่าทําไมคนต้องกลัวตาย คนกลัวตายเพราะว่าหนึ่งมันไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะไปยังไงวะไม่รู้มันมืดๆนะตายแล้วมันมืดเนี่ยไม่รู้เลยมันไม่สว่างเลยตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วมันจะไปยังไงมันจะไปเดินชนตอหรือเปล่ามันจะไปตกหลุมตกบ่อตกเหวตกอะไรมันไม่รู้เลยนะหนึ่ง คือมันรวมและสรุปแล้วโดยปฏิพานโดยไหวพริบหรือโดยสัญชาตญาณคือรู้ว่ามันตายแล้วนี่มันมันไม่รู้เรื่องนี่ยตายนี่มันไม่รู้จริงๆใครก็ไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะไม่มาเรียนธรรมะอย่างลึกซึ้งจะไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงมันก็กลัวดิทีนี้ถ้ามาเรียนลึกซึ้งนะโอ้ไม่กลัวหรอกตายไม่มีปัญหาหรอกพอมารู้ธรรมะเข้าถึงขนาดเรียนวิชาศาสนาเรียนวิชาธรรมะอย่าง โอ้ตายเหรอไม่มีปัญหาหรอกตายก็คือตายมันก็เปลี่ยนภพเท่านั้นเองตายคือการเปลี่ยนภพะจะไม่กลัวที่ไม่กลัวเพราะหนึ่งรู้แม้จะมีวิบากบาปแต่ถ้าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะแก้ไขาบาปเลิกบาบําเพ็ญบุญได้มากขึ้นมากขึ้นหนึ่งคนตายเพราะไมร่รู้สองคนตายเพราะทําชั่วไวมากเฮ้ยนรกแง่แงตายแล้วตรงนรกจะพึ่งตก อย่าพิงตายตายแล้วมันนรกแง่เงเลยก็ทําชั่วมาเยอะมันก็กลัวสิก็มันแน่อยู่แล้วนะจำไหมฮะมันไม่รู้รองหน้าหนึ่งมันไม่รู้นะแต่สองมันรู้นะรู้อะไรตกนรกแง่เงาเลยกูกูทําชั่วมาเยอะมันไม่เคยทาบุญทํำกุศลอะไรเลยเพราะจะไ้คนทําชั่วมาเยอะๆนี่กลัวตายมากแล้วส่วนมากคนมันทําชั่วเยอะอย่างน้อยโกหกทุกวัน คุณนับได้ไหมวันนึงคุณโกหกเท่าไรแต่ก่อนนี้นะมันยังไม่ปฏิบัติทมคุณนับได้ไหมคุณโกหกวันนึงได้เท่าไหร่คุณคุณนับได้ไหมโอ้นับไม่ท่วนหรอกวันหนึ่งไม่รู้บาปแต่แค่โกหกนี่เท่านั้นเท่าไหร่นับไม่ท่วนแล้วนอกนั้นไม่ต้องพูดเลยเบียดเบียนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ข่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไอ้หนูนี่ยิงไม่นับเลยไม่ได้ถือศีลอะไรเนี่ยเลิกคนถือศีลจริงมีเท่าไหร่ ขนาดถือศีลยังเผลอไผลฆ่าสัตว์ฆ่านอนฆ่านี่นช่ขนาดถือนะแล้วไม่ถือแล้วมันจะเหลือทำบาปนับคะแนนไม่ได้กโกหกแย่งชิงเอาเปรียบไม่ต้องไปถึงกับขโมยเอาเปรียบก็ บ, บาปแล้วฟังเข้าใจไหมว่าเอาเปรียบก็ บ, บาปแล้วแต่อาจจะไม่ไม่บาปไม่แรงไม่หนักเท่าไปปล้นจีขโมยข่าข้อเอามาอย่างเงี้ยก็แน่นอนมันก็จะบาป ก, กว่าแน่นอน พฤติกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วมันเอาเปรียบเขานี่ก็ถ้าคุณเอาเปรียบเขามากๆก็เท่ากับคุณไปไปทำร้ายเขาเจ็บปวดเป็นรูปธรรมดูหยาบเนะโอ้โหทำก็หัวแตกได้มาสองสลึงแต่คุณคอรับชั่นห้าสิบล้านใครจะบากกว่ากันนะเอะอเออ มันบาปมันนัยยะมันจะแตกต่างออกไปทั้งก็เจ็บตัวบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ไม่เจ็บตัวแต่เขาเจ็บใจนะ เ, เขารับชั่นเรื่องว่าไปโกงเข้ามาตั้งเอาเปรียบเข้ามาตั้งห้ล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านเนี่ยน้ําหนักของดิกรีของบาปของบุญมันมีอีกตังหงาเอาละนัยยะละเอียดผมมาจะไม่พูดต่อเพราะว่ามันมันจะยากมันเข้าใจยากแต่ธรรมะนี่ยศึกษาถึงหลักเกณฑ์สําคัญสําคัญไปแล้วเราจะเข้าใจ เข้าใจถึงรายละเอียดอะไรพวกนี้อีกมากได้ทีเดียวนั่งเพราะงั้นคนที่ไม่ได้ถือศีลเลยไม่ได้คํานึงถึงบาปถึงบุญเลยเนี่ยสามัญปุถุชนเนี่ยจึงมีบาปมหาศาลเอาแต่แค่หขอ้อมันมีมากกว่านะั้นนะบาปไม่ใช่มีแต่แค่ผิดศีลหข้อนะมันมีมากกว่า5ข้อเยอะนะบาปอะ่ะใช่ไหมเอาแต่แค่ศีลหข้อนี่คุณนับไหวไหมบาปแต่ก่อนนี่คุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณนับไหวไหม <Okay. S 1> นับไม่ไหวอะ่ะ น้ำไม่ไหวเลยอะไรที่มันพาเมาสติเสียแล้วไปก่อบาปต่อเนื่องไปอีกจากที่เมาเนี่นะเมากรามเมาโลกกระทำเมาสังขารธรรมเมาที่เขามองเมาที่เขามองเมาเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าโลกธระทต่างๆโอ้อันนี้ศักดิ์ศรีอันนี้โกดีอันนี้ใหญ่ดีอันนี้เบ่งข่มดีอันนี้มีอํานาจดีอะไรต่างๆสารพัดที่เขาจะมองเมาให้เรา หลงแล้วเราก็ไปหลงเมาหมดแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นวิหิงสาวิหิงสาวิตกบาปจากวิหิงสาวิตกนี่มหาศาลเลยการมมวิตกพยาบาทวิตกก็ตัวหยาบแต่วิหิงสาวิตกนี่รวมไว้หมดเลยที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามคือมันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งหมดเบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหมดบาปสารพัดอีกเพราะเราไม่รู้ไปมอมเมาเขาไม่ใช่มอมเมาเขามามอมเมาเอา เราก็ถูกเขมองเมาก็โลงเชื่อเขาไปหมดเพราะไม่มีปัญญานะเพราะเมื่อไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเมื่อศึกษาชัดเจนเราจะรู้โอ้ชีวิตเกิดมาก็เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อเห็นจริงเลยว่าคนเราได้เกิดจะเกิดมาแล้วก็สั่งสมวิบากเป็นทรัพย์วิบากจะนําพาไปเพราะถ้าเราไปแก้ไขวิบากให้เป็นกุศ ล, ลวิบากเข้ามากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นยิ่งเป็นโลกุตระสั่งสมวิบากเป็นโลกุตระวิบาก เป็นผลทางนิบากเป็นมรรคเป็นผลที่แท้จริงก็ยิ่งดีใหญ่เลยเป็นหลักประการของชีวิตที่เราจะไม่ทําบาปนอกจากไม่ทําบาปล้วทำแต่กุศลแล้วก็ทุกน้อยลงทุกน้อยลงมีแต่สิ่งที่เจริญที่พัฒนาที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็จะได้ซับซ้อนไปด้วยนี่คือเป็นหลักประกันสร้างมนุษย์ให้ประเสริฐทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทฤษฎีสร้างให้มนุษย์ให้ประเสริฐประเสริฐจริงๆพอเรียนรู้พัฒนาได้แล้วโอ้เราก็ได้ สอบได้ขันหนึ่งโซโดาสกิธานาะคาขึ้นมาโอโหเป็นหลักประกันวิเศษวิเนศะ ษ, ษ, ษเพราะงั้นการกลัวตายของคนที่ไม่รู้ความจริงกับคนที่รู้กลัวเพราะเราทำบาปไม่มากก็ไม่อยากตายนะนีส่สองหลักใหญ่ๆนี่นคนมันกลัวตาย ที่คนมาชัดเจนว่านะเรานี่ไม่ได้ทําบาปมากทําแต่บุญเสเยอะเลยบางคนหลงตัวด้วยนึกว่าตัวเองทําบาปแต่ทำบุญเยอะๆชาตินี้โอ้ฉันทำบุญเยอะแต่ไม่รู้ว่าหลายๆชาติก่อนทำมาต้งเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เมื่อก็ยังดีก็มันไม่รู้ีนแต่ก่อนมันจะทําบุญทําบาปไว้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ชาตินี้เราทําบุญไว้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจวอาถึงเราตายไงบุญก็ต้องช่วยเราก็ไม่กลัวตายเท่าไหร่ยิ่งรู้ชัดเจนะจะไปกลัวมันทําไมตาย ไม่ต้องไปกลัวมันหลอกตายตายแน่ๆไปกลัวมันทำไมถึงกลัวมันก็ต้องตายยิ่งตายยิ่งกลั ว, ลวยิ่งไม่เขา้าฐานเลยทรมานยิง่งโอ้ไม่ได้เรื่องในราวใช่ไหมตายกลัวๆ ก, ก็ตายกล้าๆตายใจเย็นๆตายยิ้มตายไม่ต้องไปบาดวันไม่ต้องไปหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้างออะไรยิ้มตายเลยะนะ เพราะฉะนั้นเราอยากจะไม่กลัวตายมาเรียนรู้ให้รู้ว่าตายเกิดคืออะไรสองนอกจากมาเรียนรู้ตายเกิดคืออะไรแล้วมาสร้างกุศลให้มากๆฟังขึ้นไหมเนี่ยนะฟังขึ้นนะมันมีเหตุผลในตัวของมันไม่ใช่ว่าอาตมามาครอบงําทางความคิดใช่ไหมคุณฟังว่าเออจริงนะคุณจะมีเหตุผลแล้วก็มีความเข้าใจใช่มันมีเหตุผลในตัวของมันแล้ ว, ม, ว, ม, ม, ม, ลว ม, ลมันเป็นเรื่องจริงด้วยท้ายพิสูจน์ ไม่ต้องไปเชื่อในอะไรในโทรทัศน์ทาพิสูจน์ไม่ต้องไปเชื่อทางนเชื่ออัตมากิการาทาพิสูจน์อันนี้แกวกว่า <c oughs> เพราะันคนที่ไม่กลัวตายก็เพราะว่าเข้าใจเลยว่าวัตถะสงสารที่มันหมุนเวียนอยู่นี่มันคืออะไรสองผู้นั้นได้สร้างบุญไว้เยอะก็ไม่ต้องไปกลัวตายท้องหลักใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวตาย เพราะฉชาวอโศกนี่ไม่ต้องไปกลัวตายหรอกไม่ต้องชาอโศกแล้วชาวไหนก็ตายทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปกลัวมันตายง่แง่ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเพราะเราเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเตรียมตัวที่จะตายดีหลายคนมันมีวิบากจะบอกว่าปุเพกะตะเหตุวาทะอย่างลัที่ปุเพกะตะหเหตุวาทะก็ได้นะมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะวิบากเป็นเหตุปัจจัยเก่ามีฤทธ ทำให้เราได้รับได้รับอะไรแต่มีผลทําให้เราได้รับต่อเนื่องมาได้ด้วยแต่เราสามารถใช้กรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมฤทธิ์คิดจะให้เราตายอายุ40อัตมาเนี่ยดื้อดือจะไม่ยอมตายยุติ72ดื้ออยู่เนี่ยอัตมาดื้อพรมฤทธิ์คิดเนี่ยจะบอกว่าเรามี บุเพกตะเหตุวาทะจะให้ตายอายุสิสเเราก็ไม่มีปัญหาแต่เราจะดือ้อเราจะไม่ยอมตายเราสร้างกุศลสร้างอะไรตไ่ใดสร้างอิทธิบาทหลายด้าน7จอสร้างอะไรอิทธิบาท7จอทั้งกายทั้งวิญญาณอารมณ์ก็ช่วยให้ดีนะสร้างอิทธิบาทสร้างอารมณ์ให้ดีอาหารก็ดูให้ดีๆอากาศก็ให้ดีๆออกกะลังกายเอ็นกายออกเอาพิษออกให้ดีๆช่วย ภาคเพียรด้วยเจอนี่แหละจะทําให้อายุยืนยาวอัตมาค้นหาอ า, อายุยาอายุวัฒนาได้แล้วจินซีคนหาไม่เจอตายไปแล้วจินซีห้องเตะโอ้โหส่งคนไปค้นในเกาะอะไรก็ไม่รู้ไปจะไปหายาอายุวัฒนาจะไม่ยอมตายจะอยู่นิรันจินซีเติมไม่หาไม่เจอแต่ไม่นิรันนะอัตมายาอายุวัฒนาก็ไม่นิรันต์ตายเหมือนกันนะแต่ช่วยได้นะช่วยให้อายุยาวยืนไปได้ นะอาตมาชเชื่อมัน่นว่าพวกเรานี่จะเรียนรู้ตอนนี้มันกำลังสับสนมนร้อนวิชากันเจ็ดอนี่เท่าหร้อนวิชากันหน้าดูเลยบางคนก็เป็นหนักทางอาหารบางคนก็เป็นหนักทางอากาศบางคนเป็นหนักทางออกกำลังกายบางคนก็เป็นหนักทางออกเ อ, เอาพิษออกโอ้หูไปกันเอียงกันคนะอะไตง่งสองต่งเลยตอนนี้เจ็ดอกำลังชุลมุนไม่เป็นไรมันปรับตัวมันจกกนกระทั่งเดี๋ยวมันเหนื่อย มันเหนื่อยมันก็มารวมหัวกันใครอะไรมากไปหน่อยใครอะไรน้อยไปหน่อยก็มาแชร์กันบอกกันแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเออก็จะได้สูตรสาเร็จสูตรรวมต้องใช้เวลาใช้เวลาตอนนี้กำลังร้อนวิชากัน <c ười> <c ười> ก็ ค, อคอนะ่อยๆไปนะอาตมาเชื่อมั่นว่าชาวโสร์เราเนี่ยจะอายุยาวจะอายุยืน <c ười> เพราะมันมีความจริงมันมีรากฐานมันมีตัวเหตุปัจจัยมันมีตัว ไม่ใช่ว่าเราทำไม่มีตัวลอยๆยไม่มีที่จับไม่มีที่มันมันมีสัจจะของมันน่ะมันมีอะไรที่มั่นแม่นที่อาตมาเทศมาแล้วนั้นว่าจะเทศตั้งใจจะเทศถึงเรื่องตายก็ได้พูดถึงตายร่างกายแล้วก็ตายทางจิตปัญญาและก็การตายที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบเกิดการตายของกิเลสตัณหาอุปทา น, น พระุทเจ้าคนพบเมื่อฆ่าตัณหาอุปทานสิ้นสนิทอนุสัยอาสวะสิทธิ์เสร็จแล้วจึงได้รู้ว่าจิตปิญญาหรือบิญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาถึงคนพบว่าอ๋อจริงๆไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่ยึดนะใครจะตั้งจิตยึดเข้าไปนิดเดียวมันก็เป็นตนแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ารู้จักยึดรู้จักอุปทานหรือจักรู้จักสมาทานสมบูรณ์อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นสมาทานคือการยึดอย่างมีปัญญายึดอย่างรู้จักวางเพราะฉะนั้นผู้รู้จักยึดรู้จักวางได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยึดได้วางได้สุดท้ายเพราะฉะนั้นจะยึดเพียงอาศัยเป็นอารยะวิญญาณเป็นวิญญาณเพียงอาศัยใช้งาน อาศัยเกิดอาศัยวนเวียนอยู่ในวัตสงสารต่อเพื่อทําประโยชน์ประโยชน์ตนจบแล้วเมื่อล้างกิเลสหมดแล้วในประโยชน์ตนจะจบเหลือแต่ประโยชน์ท่านเพราะยันพูดที่จะเกิดจะตายเมื่อมีหลักประกันคือมีอรหัตผลเป็นอรหันต์ได้แล้วจะเกิดจะตายอีกกี่ชาติก็เป็นเรื่องของท่านมีหลักประกันแล้วท่านไม่มีพิษมีภัยแก่ใครตนเองก็ไม่มีพิษแก่คนอื่นก็ไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะงั้นก็เป็นประโยชน์ของโลก เป็นผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ช่วยโลกอุ้มชูโลกอย่างแท้จริงนะ